ทางเดินของวัตัดสงสารมีเจความโรคความโปวดความหลงหรือราคะตัณหาเป็นทั้งทางเดินเป็นทั้งผู้ควบคุม ให้เดินตามทางสายของมันที่กำหนดไว้อย่างตายตัวแก่สัตว์โลกทั้งสามไตรภพไม่ให้เดินออกนอกลูกนอกทางของมันไม่ว่าจะเป็นจิยาอาการแห่งความเคลื่อนไหวใดๆต้องให้เป็นไปตาม แถวทางหรือกิริยาของมันที่กำหนดไว้อย่างตายตัวเท่านั้นนี่คือทางเดินของวัตวณมีกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชาสายทางก็คือกิเลสส่วนใหญ่เป็นสายทางอันเตียนโลสัตว์หลายจึงไปด้วยความราบรื่น แต่ไม่ใช่ราบรื่นชื่นใจคือไปได้อย่างคล่องใจไปได้ด้วยความสมัครใจไปได้วยความพอใจไม่ได้ไปได้วยความฝ่าฝืนไปอยู่เช่นนั้นตลอดเกิดดูเช่นนั้น ตายอยู่เช่นนั้นพบน้อยพ บ, พบใหญ่หมุนไปเยียนมาอยู่ทํานองนี้นี่คือสายทางของวัตวลนหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้เจอแล้วเจอเล่าเจอความทุกข์ซึ่งเป็นของเก่าที่เคยเจอมาแล้วจี ก, กับจีกันไม่กำหนดกฎเกณ แต่ไม่อาจสามารถจะจำได้ในความทุกเหล่านี้สัตว์โลกจึงไม่สามารถที่จะเห็นโทษแห่งความเป็นมาของตนเพราะกิเลสเป็นเครื่องปิดบังในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เสียสิ้นนี่คือทางเดินของวัตวลนเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่กาลไห น, ไหนในบรรดาสัตว์โลก ไม่มีรายใดที่จะปีกออกนอกลูก่นอกทางของมันได้จึงต้องมีความทุกข์ความลำบากด้วยอำนาจแห่งกิเลสประเภทต่างๆเป็นผู้ให้โทษเป็นผู้ให้ทุกข์ความลำบากสำบน ท่านี้ทางวิวัตะที่พระพุทธเจ้าของเราหรือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทรงค้นพบอันเป็นทางสุขเกษอันเป็นทางหลุดพ้นจากอำนาจแห่งวัตบนเรียกว่าวิวัตะคือมัชชิมาปฏิปทา ได้แก่ทางสายกลางนี่เราแปลกันอย่างเป็นคำสวยงามว่าเป็นทางสายกลางทางราบรื่นดีงางวิธีการแห่งการเดินตามทางสายที่ประพุติเจ้าทรงเคยดำเนินมาแล้วได้ ประทานไว้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ดำเนินได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรรวมเข้าแล้วก็ เรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี่คือประโยคแห่งการเดินของผู้จะไปเพื่อถึงฝั่งแห่งพระนิพพานผ่านโลกวัตตน์อนกันดาล นี่เสียได้โดยปลอดภัยกิริยาแห่งท่านผู้ดำเนินด้วยสุปติอุชุญาญาสามิจินี้ย่อมงามทั้งกิริยาแห่งการคิดออกทางด้านจิตใจงามทั้งวาจาที่พูดเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลพระเ พ, พริงเป็นเครื่องรุ่นนึ่งซึ่งกันและกัน งามทั้งการประพฤติรียาการแสดงออกทางกายทุกด้านทุกแง่ทุกมุมกลมกลืนกันไปตามแนวทางแห่งมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางที่ตรงแนวต่อวิวัตะได้แก่พระนิพพานเราทั้งหลายเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติ จึงเป็นผู้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินตามทางสายนี้โดยมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่แนบสนิทติดกับใจคิดสิ่งใดให้เป็นธรรมให้เป็นวินัยพูดสิ่งใดก็เป็นธรรมเป็นวินัยกิริยาแสดงออกทางกายก็เป็นธรรมเป็นวินัย ซึ่งเป็นเครื่องรื้อถอนกิเลสไปทุกระยะทุกอาการแห่งการสแสงออกทางกายว า, จายใจนี่ผู้นี่คือผู้เดินทางเพื่อถึงวิปัตตนด้วยมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นทางสายตรงแนวต่อความพุนทถค้นถุกนั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ระมัดระวัง สิ่งที่เป็นศัตรูคู่อริต่อธรรมต่อการปฏิบัติของเราซึ่งไม่มีสิในใดอันใดที่จะนอกเหนือไปจากคำว่าทิเลศประเภทต่างๆที่ซ่องสุงมอยู่ตามสองภาคทาและยังฝังอยู่ภาณจิตใจของเรานั้นอีกด้วยที่จะต้องกออุปสัค ความจิดขว้างแห่งการดำเนินของเราให้เป็นไปไม่สะดวกโดยประการต่างๆสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นความคิดการพูดการแสดงออกทางกายเป็นการขัดต่อหลักธรรมหรือหรือหลักพยนันของพระพุทธเจ้าแล้วให้พึงทราบว่านั้นคือสิ่งปลอมแปลงคือสิ่งเคลือบแฝง ที่จะคอยทำลายการดำเนินหรือการก้าวไปตามมัชชิมาของเราให้พึงระมัดระวังอย่าปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาจีดขวางหรือเหยียบย่าทำลายหรือปิดกั้นทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกนั้นไปเสียโดยที่เราไม่รู้สึกตัวมัชชิมาปฏิปทานี้เป็นทางที่ ทรงรับรองไว้แล้วอย่างเต็มภูมิของศาสดาของเราไม่มีทางสายใดที่จะตรงแนวยิ่งกว่าสายทางคือมัชฌิมาปฏิปทาการแสดงออกแห่งกิริยาของมัชฌิมาแต่ทั้งแง่และมุมนั้นท่านว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ มีหมายถึงองค์ปัญญาที่จะพาการตําเนินของเราให้เป็นไปเพื่อความสะดวกราบรื่นชื่นใจตัดอุปสรรคมา ไ, ได้โดยลํารับด้ว ย, วยอํานาจแห่งปัญญาสัมมาสังกัปะก็เช่นเดียวกันเป็นความดําริคิดอ่านไตรตรองในเหตุในผลอันใดเป็นคุณอันใดเป็นโทษ ซึ่งมีอยู่กับใจดวงนี้ให้เลือกเฟ้นด้วยปัญญาทั้งสองประเภทคือสมาธิจิตสมาสังกับโปคนี่เรียกว่าองค์แห่งความฉลาดที่จะนำผู้ดำเนินให้เป็นไปตามสาทางแห่งมัจจิมาคือความเหมาะสมความพอดีความถูกต้อง ความราบรื่นชื่นใจจนถึงฟังแห่งสันติธรรมอย่างยอดเยี่ยมได้แก่พระนิพพานสัมมาวาจากราวให้มีมีผลกราวให้เป็นที่ชื่นชมยินดีในอักในธรรมต่อกันกราวเป็นสิ่งที่ให้เกิดความรื่นเริงบันเทิง เกิดความพอใจในธรรมทั้งหลายต่อกัน่ิริยกว่าเป็นสัมโมทิยคถาท่านผู้ใดกล่าวออกแสดงออกก็ให้เป็นอัดเป็นธรรมเป็นคติอันดีงามแก่ท่านผู้ฟังเรียกว่าสัมมาวาจากล่าวชอบในการกล่าวชอบนี้ท่านแสดงไว้ถึงสิบประการ ซึ่งเคยได้แสดงมาหลายครั้งหลายหนแล้ววันนี้จึงไม่จําเป็นต้องแสดงจะพูดให้ฟังเฉพาะหัวข้อแห่งการสนทนาเพื่อความรื่นรึงซึ่งากันและกันของพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลหรือท่านนักปฏิบัติคือนักบวชท่านปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานท่านพูดท่านสนทนาต่อกัน ให้ฟังเพียงเป็นหัวข้อเท่านั้นว่าอัปิชตาต่างองค์ต่างมีความมากน้อยไม่มากใหญ่มากใหญ่ไฟสูงไม่มากมากเพราะสิ่งหนั้นเป็นเครื่องพลุงพลังกดทวง จ, จิตใจไร้ธรรมะกลายเป็นเรื่องกิเลสสังสมขึ้นมา ทงทั้งที่เราเป็นนักเสียสละแต่กลายเป็นนักสงสมขึ้นมาเพราะความที่ขัดต่อความปรารถนาความปรารถนาน้อยหรือความมากน้อยอันเป็นความไม่พรุงพลังสันโดษยินดีตามมีตามเกิดเท่านั้นอะไรมีก็ยินดีใช้สอยไปตามเรื่องไม่เป็นอารมณ์ห่วงใ่ กับสิ่งเหล่านี้อันจะเป็นทางที่ไหลามาแห่งกิเลสไม่ตรงกับเจตนาของผู้จะทำละสะสางกิเลสออกจากใจอสังสักณิกาไม่คุกคลีซึ่งกันและกันมีตนเป็นผู้ผู้เดียวอย่านำ นอกจากไม่ครา่าคราวไม่คุคกคีกับเพื่อนสูงตลอดถึงประชาชนภายนอกแล้วยังไม่คุกคีกับสิ่งกับอารมณ์ที่เป็นเครื่องมอหม่งมัวหม่องต่อจิตใจอีกด้วยพยายามระมัดระวังฆ่าศึกคืออารมณ์ที่เป็นเครื่องมอหม่งมัวหม่องแกจิตใจ ด้วยความเพียรคือสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยนี่เรียกว่าอสังสักนิกาไม่คุกคลีภายนอกแล้วยังระมัดระวังข้างในไม่คลาาเค้ากันกับเรื่องของกิเลสพยายามเห็นโทษของมันอยู่เสมอวิเวกตาชอบสถานที่วิเวกสงัด สงัดทั้งสถานที่ที่อยู่ที่บำเพ็ญเพื่อความสงัดทางด้านจิตใจปราศจากอารมณ์เครื่องก่อกวนทั้งหลายด้วยเรียกว่าวอาสังกัดิเวกตาวิริยารำภาเต็มไปด้วยความภาคเพียรอย่างเต็มหัวใจ มีสติเป็นเครื่องประคับประคองรักษาใจให้ปลอดภัยจากอารมณ์ที่เป็นค่าศึกอยู่เสมอซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจนั่นแหละนี่เรียกว่ามิเว ก, กตาอาลิวิริย า, าัมภาจากนั้นก็กล่าวถึงศีลศีลเป็นสมบัติอันสำคัญ ทำความสวยงามในมารยาทแห่งการแสดงออกและทำความชุ่มเย็นให้แก่จิตใจของเราเสมาธิพยายามทำให้เกิดให้มีใจหนักแน่นมั่นคงต่อเหตุคือการกระทําของเราไม่หลาอแหละไม่โยกคลอนไม่คอนแคลนไม่อ่อนแอ มีความมุ่งมั่นบันทอนความฟุ้งซ่านม่นวายด้วยการฝึกการทรมานการกดขี่บังคับอารมณ์ต่างๆมาให้เกิดขึ้นเพราะอารมณ์เหล่านั้นเป็นค่าสึกต่อความสงบของใจเป็นอารมณ์ที่มายั่วยวนจิตใจให้ครับ ความขุนมัวอย่างน้อยขุนมัวเศร้าหมองมากกว่านั้นผลของมันก็คือความทุกข์สมาธิคําว่าสมาธินี้เป็นขั้นขั้นคือมีความแน่นหนามั่นคงพาณาจิตใจของตนเป็นลําดับลําดาบจนกลายเป็นสมาธิที่แนบแน่นแนบเนียนท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธินี่เป็นสันเเลขาคถา เครื่องซักฟอกเครื่องขัดเกลากิเลสทุกประเภทเป็นทมเครื่องสนทนาของพระท่านนักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ในครั้งพุทธกาลท่านสนทนาเป็นเครื่องนื้อเดิงซึ่งกันและกันจากนั้นก็แสดงถึงเรื่องปัญญาความเชียวลาดในอุบายวิธี ที่จะแก้ความคลิกแปลงเปลี่ยนแปล ง, ปลงคณมายาของกิเลสซึ่งมีอยู่ภาณในจิตใจนี้ให้ทันท่วงทีให้ทันกับเหตุการณ์ของมันอยู่เสมอเสมอตามขั้นแห่งปัญญาที่จะควรแก้ควรทันกับปัญยาของกิเลสประเภทต่างๆขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งกิเลสละเอียดสุดปัญญาก็ละเอียดสุดตามแก้ตามไขาตามปวดเปรืองถอดถอนกัน ได้โดยลดับจนกลายเป็นวิมุตต์ความหลุดพ้นหลุดพน้ดพนที่ใจซึ่งถูกจองจำจากกิเลสปัญหาอาสวะเป็นผู้ควบคุมกดขี่บังคับมานานหลุดพ้นที่ตรงนี้วิมุตติญาณทัศนะอันเป็นสันเล ข, ขาธรรมข้อที่สิบได้จียญาณความรู้แจ้งชัดใน ความบุญพ้นของตนในขณะที่ความบุญพ้นในปรากฏขึ้นญาทั้งรู้ทั้งเห็นประจักษ์ใจในเวลานั้นนี่เป็นธรรมเครื่องรื่นดริงของพระผู้จะถอดถอนกิเลสอาสวะทั้งหลายท่านคุยกันสนทนากันมีแต่ธรรมเป็นเครื่องรื่นเรงเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจรุ่นรุน นี่เรียกว่าสัมมาวาจาที่ชอบยิ่งทีเดียวสัมมากรรมมันโตได้จากการประกอบความภาคเพียรในเอียบ ท, ทั้งสี่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาด้วยความนำมัดระวังด้วยความมีสติอยู่ในวงความเพียรไม่ให้กิเแทรกเข้ามา เหยียบย่ทำทําลายความเพียรของเราที่กําลังบําเพ็ญอยู่นั้นในเอียบท่างๆเรียกว่าสัมมากัมมันตะทําการงานชอบชอบด้วยการถอดถอนกิเลสไม่ใช่ทําการงานชอบด้วยการสั่งสมกิเลสดังที่โลกนิยมกันตลอดถึงพระของเราก็นิยมกัน เป็นการก่อการสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายรบกวนใกล้ไกลภายในภายนอกให้ขุนมัวไปตามๆกันหมดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องถอดถอนกิเลสแต่เป็นเครื่องกงังวลเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสของพระซึ่งเป็นนักปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลส เพราะฉะนั้นสัมมากรรมันตะประเภทนี้อันเป็นส่วนใหญกจึงสามารถหรือเป็นค่าศึกต่อสัมมากรรมันตะแห่งงานที่ชอบแห่งงานที่ละเอียดเพื่อถอถอนกิลเลสได้แก่การประกอบความเพียร น, นี้ได้โดยไม่ต้องสงสั ย, ยจึงต้องพยายามระมัดระว่าสัมมาอาชีวเลี้ยงชีพชอบ เราพอทราบกันได้ทั่วๆไปการบินสมาดมาฉันด้วยกำลังปีแข้งของตนนี้เป็นงานที่ชอบทำของนักปฏิบัติของนักบวชเพื่อความดุดทนไม่สนใจในอาหารว่าประนีตบรรจงเพียงไรหรือไม่ประการใดพอยังชีวิตหรืออัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่ง เพื่อเป็นการบำรุงร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือนี้ทํางานเพื่อถอดถอนกิเลสได้เต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วยเท่านั้นเต็มที่พอใจนี่เป็นสัมมาอาชีวะเกี่ยวกับส่วนร่างกายสัมมาอาชีวะที่เกี่ยวกับใจก็คือความน้ำมัดระว่างยาพิษที่จะสําคัญว่าเป็นอาหารของใจกว้านเข้ามาด้วยการ เห็นการได้ยินรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสที่มาสัมผัสสัมพันธ์กับตาหูจมูกลิ้นกายกลายเป็นเรื่องยาพิษเข้าไปเผาจิตใจของตนนั้นไม่จัดว่าเป็นการเลียงชีพคือความเป็นอยู่แห่งใจของเราซึ่งเป็นหลักใหญ่รับผิดชอบในร่างกายนี้ให้เศร้าหมองขุ่นมัวไปตามจนกลายเป็นความ ทุกความลำบากความเดือดร้อนขึ้นมาเพราะอาหารอันเป็นพิษไม่จัดว่าเป็นสัมมาอาชีวะนั้นเรียกว่ามิจฉาชีกนำอารมณ์ที่เป็นข้าสึกเข้ามาเผาลนจิตใจของตนสัมมาอาชีวะหลอเลี้ยงจิตใจได้อัดด้วยคำด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอ ทำได้โอชารสเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงย่อมมีความเจริญมีความชุ่มเย็นมีความสะดวกสบายมีความว่างเปล่าภายในจิตมีความเบาบางสง่าง่าเผยภายในจิตเพราะอาหารคือโอชารสแห่งธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่เสมอนี่เรียกว่าสัมมาอาชีวะทางด้านจิตใจโดยเฉพาะ สัมมาวายามะเพียรชอบก็คือพยายามเพียรละกิเลสบาปธรรมที่เคยมีอยู่แล้วให้ค่อยหมดไปหมดไปและเจริญสิ่งที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นด้วยความเพียรและระมัดระวังไม่ให้กิเลสบาปธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วกยให้มันหมดสิ้นไปโดยลำดับถนัดนี่ถนัดสัมมาวายามะเพียรชอบ สัมมาสติระลึกรู้ตัวอยู่เสมอให้อยู่ในวงของกายหรือจะคิดจิตมีคิดไปทางใดใมีสติเป็นเครื่องรักษาเหมือนกับเด็กมีพี่เลี้ยงติดตามย่อมปลอดภัยไม่เป็นอันตรายอย่างง่ายได้ใจิตใจที่มีสติเป็นเครื่องบำรุงรักษาอยู่เสมอก็เป็นเช่นนั้น นี่เดียว่าสัมมาสติสมมาสมาธิคือความสงบของใจที่เป็นสัมมาก็คือนำอารมณ์ที่จะยังใจให้สงบเข้ามากำหนดเข้ามาบริกรรมดูยึดเข้ามาเป็นที่พึ่งพิงของใจให้มีความรู้สึกยูกับธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่เย็นอยู่แล้วนั้น เพื่อใจจะได้ยึดนั้นแล้วเกิดความเย็นฉ่ำขึ้นมาภายในตัวเองนี่เรียกว่าสัมม า, า, ส, มมาสติมีหลักธรรมเป็ น, ปนสุขาตะธรรมเป็นเครื่องยึดของใจเมือ่อจิตมีความสงบก็รู้อยู่ภายในตัวเองว่าสงบลึกตื้นยามละเหยดเพียงไหล ไม่ใช่ว่าสงบแบบหัวตอแบบนอนหลับนั่นเรียกว่ามิจฉาสมาธินี่รมท่านกล่าวไว้อย่างนี้ในสันเลกธรรมกล่าวแล้วรวมลงมาสัมมาสมาธิคือองค์มรรคปนี่เราทั้งหลายผู้ดำเนิน ตามสาทางแห่งมัชชิมาซึ่งเต็มไปด้วยขวากด้วยน้ำสองฝากทางได้ แ, แก่กิเลสตันหาอาสวะซึ่งคอยจะทิ่มแทงทำลายเราอยู่ตลอดเวลาจมต้องได้ระมัดระวังรักษาตนอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้เดินทางเพื่อความราบรื่นดีงามการดำเนินด้วยข้อปฏิบัติ อันถูกต้องดีงามนี้ชื่อว่าสุปฏิปัโนโอุชุญายะสามีจิคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงต่อเหตุต่อผลต่ออัดต่อทรรรรมต่อความอดทนญายะเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆสามีจิปฏิบัติ งามตาอย่างงามตางามใจคนอื่นมองเห็นก่อนหน้าเลื่มใสหน้าเคารพบูชาตนเองก็มีความเพ่มชื่นเบิกบานด้วยสามีกิกรรมคือการปฏิบัติชอบของตนอาการเหล่านี้เป็นอาการถอดถอนกิเลสและเป็นอาการที่ก้าวไปตามสายทางมัติมาปฏิปทาอันเป็นทางพ้นทุกข์ โดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงดำเนินอย่างนี้ทนได้ด้วยวิธีการอันนี้สาวกทั้งหลายท่านก็ดำเนินอย่างนี้และหลุดพ้นไปได้ด้วยวิธีดำเนินอย่างนี้จะดำเนินอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ผิดจาก สายทางที่เป็นไปเพื่อวิวตะจะเต็มไปด้วยวัตจักรวัตวนทั้งนั้นพเพราะช น, นะด้วยเหตุนี้นะักปฏิบัติจึงควรระมัดระวังสังรวมตนอยู่เสมออย่าได้เฉยชาอย่าได้แสดงความเคยชินต่อความเพียรแล้วนอนใจเหล่านี้เป็นเรื่องเครื่อแฝงของกิเลสทั้งหมดให้พึงระมัดระวังตัวอยู่เสมอ ยากลําบากคือการต่อสู้กับกิเลสเราลําบากกิเลสก็ต้องลําบากเหมือนกันเราอยากคิดว่าแต่เรามีความลําบากเพราะเพราะการประกอบความภาคาเดินตัวกิเลสมันก็ลําบากเพราะการต่อสู้ของเราการห้ามหันกันกับกิเลสการตกต่อยการฆ่าฟันกันกับกิบเลสทําไมกิเลสจะไม่ลําบากเลยจากความลําบากแล้วกิเลสต้องตาย เราลำบากแต่เราได้ชัยชนะเราไม่สู้มันเลยเราหมอบราบแพ้อย่างหมอบราบผลที่จะพึงได้รับก็คือเป็นธาตุของยิลสทธ์าตุแห่งความเกิดความแก่ความเก็บความตายธาตุแห่งความหมุนเวียนไปมาที่หาบตั้งแต่กองทุกข์อยู่ในวัตวันนี้หาความสิ้นสุดยุติไม่ได้เลยนั้นไม่ใช่ของดี ไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถ น, นาเพราะฉะนั้นทุ ก, ก็ทุกไม่ยอมถอยในการต่อสู้กับกิเลสทุกเพราะการต่อสู้กับกิเลสต้องถือว่ากิเลสก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนเราเพราะกิเลสกับเราต่อสู้กันกิเลสจะหาความสุขความสำแดนบานใจมาจากไหนเมื่อมีฆ่าศึกต่อตนเองอยู่แล้ว เช่นเดียวกับเราที่มีกิเลสเป็นคาาสุขต่อเราเราหาความสุขที่ไหนเจอมีตั้งแต่ความทุกข์เพราะมันทั้งนั้นเมื่อถูกมันทาลายเราเพราะเราแพ้มันทีนี้เมื่อเราต่อสู้กับกิเลสความทุกข์ของเราก็มีจริงในการต่อสู้ในขณะเดียวกันความทุกข์ของกิเลสก็ย่อมมีอ่า ความเจ็บปวดแสบร้อนความจ็บพินาศทิพหายของกิเลสย่อมมีไปโดยลำหนักลำหนับเพราะการต่อสู้ด้วยความเพียรแม้จะเป็นทุกข์ในการต่อสู้ของเราก็าตางเรามีหวังที่จะให้กิเลสสนับความทุกข์ความลําบากขนครัวบ้านครัวเรือนครัวลูกเจ้าหลานเหลนปู่ย่าตายายซึ่งเคย ฝังล่าฝังฐานอยู่ภายในจิตใจนี้อยากดึกออกจากจิตใจเพราะอำนาจแห่งมรรคปฏิปทาตามสังหารอยู่ตลอดเวลาทั้งนึกทั้งตื่นทั้งหยากทั้งละเอียดกิเลสหลบซ่อนอยู่ที่ตรงไหนสติปัญญาตัดทาความเพียรตามห้ามหันการกรองกันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งกิเลสประเภทต่างๆ ได้ศูนย์ซากไปจากกิเลสตายเรียบไปหมดแล้วแล้วไม่มีอะไรต่อไปนั้นที่จะให้เกิดความทุกข์ทางใจจึงทําให้เห็นได้ชัดชัดรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้าเราก็ไม่ทูลถามพระองค์ท่านว่าเมื่อกิเลสสิ้นไปแล้ว อย่างราบคาบไม่มีพนาจิตใจแล้วข้าพระองค์มีความสุขสบายไหมยอย่างไรถามให้โง่ทำไมเพราะความรู้ประเภทที่รู้ที่เห็นอยู่เวลานั้นไม่ใช่ธรรมะงโง่เป็นธรรมะที่ฉลาดเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์เป็นธรรมะที่เลิศโลกอยู่แล้วะจะทูลถามท่านหาประโยชน์อะไรย่อมไม่ทูลถาม นี่แหละสมชื่อสมนามที่ว่าสันทิทโกอิปะพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมอบให้ไว้กับท่านผู้ปฏิบัติจะพึงรับเป็นมรดกของตนโดยจะพาะเฉพาะแต่ละราละรายที่ปฏิบัติตนได้มากน้อยสันทิทกะธรรมทั้งหลายย่อมจะปรากฏขึ้นตามข้างตามภูมิของตนตน ถึงขั้นวิมุตติพ้นย่อมจะเป็นสันทิฏฐิโกได้อย่างประจักษ์และเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอยู่ภายในจิตใจนี้เงียบการดำเนินการปฏิบัติจึงต้องมีความยากความลำบากเราทราบด้วยกันแล้วว่าการแก้กิเลสเป็นของแก้ยากค่าศึกใดก็าตามในโลกนี้ไม่มีที่จะนอกเหนือจากกิเลส ไ, ได้ เียเป็นแก่นแห่งค่าสุดเป็นกี่เหนียวแน่นที่สุดเป็นที่ลบยากแก้ยากที่สุดคือแก้กิเลสทุกจากกิเลสก็เป็นทุกข์ที่ยากลหบากมากเป็นทุกข์ทรมานมากถ้าเราไม่เห็นโทษของมันในความแสดงออกอยู่กับร่างกายและจิตใจของเรานี่อยู่แล้ว จะเรียกก็เราเรียนวิชาธรรมต่อความฉลาดและถอดถอนมันได้ที่ตรงไหนวิชาของพระพุทธเจ้าเป็นวิชาที่เหนือกิเลสทุกประเภทไม่ใช่เป็นวิวชาธาตุของกิเลสพอจะให้กิเลสเหยียบย่ําทําลายธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรานํามาปฏิบัติอยู่เวลานี้ให้ย่อยยับอับเฉาลงไปเพราะสู้กิเลสไม่ได้ คำที่ว่าสู้กิเลสไม่ได้นั้นไม่ใช่ทำเป็นผู้สู้กิเลสไม่ได้เช่นอย่างเครื่องมือรบไม่ใช่เครื่องมือนี้สู้กิเลสไม่ได้เครื่องมือนี้ทันสมัยเป็นแต่ผู้จะหยิบยกเอาเครื่องมือมาใช้นั้นไม่สามารถที่จะหยิบยกเอาเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปราบปรามค่าศึกคือกิเลสประเภทนั้นๆให้เหมาะสมเท่านั้น จึงได้ยอมแพ้กิเลสหรือกิเลสจึงเหยียบย่ทำทําลายคลายเป็นธาตุของมันได้ทั้งๆที่เราก็เรียนวิชาธรรมปฏิบัติทรามเพราะฉะนั้นคํานี้อย่าให้มีในจิตใจของนักปฏิบัติเราเราเรียนจากครูจากอาจารย์ศึกษาจากครูจากอาจารย์ก็ดีเราเรียนอาดเตียนธรรมตามตำรับตาราก็ดี ไม่มีทรบมบทใดาบาทใดเป็นธาตุของกิเลสเป็นน้อยต่อกิเลสมอบราบต่อกิเลสไม่มีมีแต่ทำเป็นเครื่องปราบกิเลสทั้งหมวลในบรรดาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมจึงควรจะได้รับชัยชนะเห็นกันต่อหน้าต่อตา ด้วยการประกอบความภาคเพียรต่อสู้กับกิเลศด้วยวิชาธรรมของเราที่ได้เคยได้ชัยชนะมาแล้วและเคยเป็นใหญ่ต่อกิเลศทุกประเภทมาแล้วไม่ควรให้รับคำว่าแพ้ค้ายที่สุดคำว่าแพ้ขายหมดทั้งตัวไม่มีสง่าราศีอันใดเลยความแพ้กิเลศ ความชนะกิเลสเท่านั้นเป็นผู้เลิกความเป็นธาตุของกิเลสดีวิเศษวิโสอะไรเอาพิจารณาเทียบเคียงให้เห็นเหตุเห็นผลเราเป็นนักปฏิบตัติลูกจีตธถาโคตจอมปราดฉลาดแฉมพรมเหนือโลกเหนือสงสารปราบมจจอมมารมหามารภ า, ายในจิตใจได้จนราบคาบสิ้นเชิงไม่มีสิญได้เหลือเพราะวิชาธรรมของพระองค์ ทำไมเราเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักวิชาธรรมของพระพุทธเจ้ายังจะกลาเป็นาธาตุของกิเลสตัณหาอาสวะนำธรรมไปเป็นาธาตุของกิเลสอยู่ได้เราไม่อายเราบ้างเหรอเราบวชมาอย่างสง่าผ่าเผยบวชมาด้วยความมีอัตมีธรรมบวชมาด้วยความมีอุปชาอาจารย์ บวชมาด้วยความได้รับศาสตราอาวุธพร้อมแล้วตั้งแต่วันบวชท่านยื่นยกหยิบยื่นให้เราแล้วพระเกศาโลมานขาทันตาตะโจเป็นต้นนี่คือเครื่องมือปราบกิเลสความรักความหุงหวงความสงวนไม่มีอะไรที่จะรักจะสงวนยิ่งกว่าธาตุขัน์กว่าสากลรกาย น, นี่ อันเป็นเพราะอํานาจของกิเลสพาให้รักให้สงวนขัดแย้งต่อธรรมมาเป็นประจำเสกสรรตั้นยอว่าให้เป็นของสวยของงามเสกสรรตั้นยอว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของท่านเป็นของเขาของใครเสกสรรตั้นยออยู่เช่นนี้ปลอมแปลงอยู่เช่นนี้คือเรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกกับธรรม พยายามลบล้างความจริงคือทำอยู่ไม่หยุดยั้ยงนี้ท่านจึงได้มอบอาวุธอันเป็นความจริงนี้ให้เพื่อปราบกิเลสประเพศจอมปลอมนี้ออกให้สิ้นซากให้เหลือตลักความจริงเกสารูมานะขาธันตาแตจูหาความสวยงามที่ตรงไหนเอานำไปฟัดเวี่ยงกับกิเลสอีกกิเลสว่าสวยงามนังหรือสวยงาม ถ้าหนังสวยงามแล้วหนังรองเท้าเป็นอย่างไรหนังภายนอกสวยงามทำไมจึงมีขี้เหงื่อเหงื่อขี้ครเต็มไปหมดช้าล้างกันทำไมถ้ามันสวยงามจริงๆไม่ต้องช้าต้องล้างต้องซกักต้องฟอกเช็ดถูกันอยู่ตลอดเวลารักษามันทำไมเพราะมันสวยงามมันสะอาดสะอ้าน ว่าของใครแต่นี้ทําไมของสะอาดทําไมจึงต้องในชะได้ล้างมันไม่ใช่ของโสกกรปกุกจะได้ชำระล้างใหม่เมื่อเป็นฉะนั้นมันเต็มไปด้วยของโสกกรปกุกแม้แต่ผิวหนังแท้ๆที่หลงกันอยู่นี้มันก็คือของโสกรปรกที่เสกสรรปั้นยอออกมาจากกิเลสภาพเป็นของสวยงามต่างหานั่นคือจอมโกหกของกิเลสลบล้างความกิณ แห่งธรรมของอเจ้าซึ่งเป็นของไม่สวยไม่งามตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นนี่พลิกหนังภายในออกมาดูสิถ้ายังมองเห็นภายนอกว่าสวยว่างามหนังอันเดียวนั่นแนะพลิกภายในออกมาดูอีกเป็นยังไงมันน่าดูไหมดูแล้วดูเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าตามหลักความจริงก็หมายความว่า ล้างแล้วล้างเล่าล้างสิ่งจอมปลอมที่มันแทบมันสิงมันเสกสรรปั้นยอไว้ว่าสวยงามนะ่ะล้างด้วยความกินคืออัดคือทามันสวยมันงามที่ไหนถลกออกมาหมดในหนังทั้งตัวเหล่านี้นะ่ะแล้วแพ่ออกมาดูสิเป็นยังไงหนังทั้งแผ่นน่าดูไหมหนังของคนของหญิงของชายหรือของสัตว์ตัวใดก็ตาม เมื่อถลกหนังออกมาดูแล้วหนังหน้าดูใหม่สวยงามตามที่กิเลสเสกสันตั้นยอนั้นจริงๆไหมห ร, หรือไม่จริงถ้าไม่จริงก็ได้ทราบพัน ช, ชัดว่ากิเลสที่หลอกเราถึงขนาดนี้เถอะเลอมันก็ต้องได้เห็นโทษกันความจริงมันหาความสวยงามที่ไหนข้างในก็เยอ้มไปด้วยเลือดด้วยเนื้ อ, เ, อเต็มไปของปฏิกูล ข้างนอกก็มีแต่ขี้เหงื่อขี้คลายชะาล้างกันทั้งข้างบนข้างล่างมีแต่ขี้เต็มตัวอืและยังมาเสกสรรตั้นยอออกมากว่าเป็นดีเป็นของดีก็เห็นแต่สุนัขเท่านั้นเห็นอาจมว่าเป็นอาหารได้อดิเรอร่อยมนุษย์เราไม่ใช่สุนัขเฉพาะอย่างยิ่งนับปฏิบัติเราไม่ใช่สุนัขเหตุใดจึงจะต้องไปเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของสวยของหล่ะ เป็นของที่น่ารักให้ชอบใจซึ่งเป็นเหมือนอาจงแล้วดู ด, ดื่มด้วยอารมณ์รักชอบด้วยความว่าเป็นของสวยของงามทั้งๆ ท, ท, ที่มันจอมปลอมและเสกสรระัญญ์หลงมันไปทำไมกิเลสทำเป็นเครื่องแก้มีอยู่นามาชะมาล้างกันให้ถึงความจริงแต่ต้องกันได้อย่างไรเมื่อถลกหนังออกมาแล้วเอาดูเนื้อในคนในสัตว์เป็นอย่างไร แดงโล่ไปหมดทั้งตัวแล้วดูเข้าไปกาหนดทิจนาเข้าไปลึกเท่าไรยิ่งเห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าอิจนาระอาใจเต็มไปหมดทั้งร่างข้างบนข้างล่างดั่งขวางสถานกลางแล้วกระจายออกไปดูในอวัยวะทุกส่วนนี้ชิ้นไหนเป็นชิ้นงามของงามของสวยตามที่กิเลสมันไปฝังจมความหลอกวงเอาไว้ทุกแง่ทุกมุมทุกจุดทุกแห่งทุกขน ในสกุลกายของเราของเขานี่ที่คายดูให้มันหมดความจําปองของกิเลสที่มันไปปักเสียบหลอกมนุษย์ที่โง่เขลาเป่าปัญญาไว้เอาธรรมของพระเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่ฉลาดนี้จับเข้าไปแย่เข้าไปแทงเข้าไปพิสูจน์เข้าไปให้เห็นตามความแล้วเล่าย้ำแล้วย้ำเล่าพิจารณาอยู่นั้น นี่ลนะอาวุธที่ท่านมอบให้เพื่อจะล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายนี่คืออาวุธเพียงจะพูดว่าหนังเท่า น, นั้นก็กระจายไปแล้วเพราะเป็นประโยชน์ใหญ่มากหนังห้่มหมดห่อหมดทั้งตัวของปฏิกูลโสโ ก, โกขนาดไหนก็มองไม่เห็นเนีะยอันบุรุตาฟางแบบพวกเราเนี่นะ ต้องใช้ปัญญาพิณิปิจนาตามหลักธรรมของพระพุเทธเจ้าอาสายปัญญาทีนี้ปัญญานั้นแทงทะลุอ<ะ>อย่าว่าแต่ร่างกายอันเล็กๆน้อยๆ น, นี่เลยแม้ภูเขาทั้งลูกก็แทงทะลุไปหมดออืแต่นี่มันกลับกลายเป็นว่าร่างกายเล็กเพียงนิดเดียวหนังบางๆเพียงนิดเดียวไม่สามารถแทงทะลุได้ จะว่าเรามีความฉลาดแหลมคมได้อย่างไรก็คือจอมโง่นั่นเองแล้วเราอยากจะเป็นจอมโง่ได้ถูกกล่อมเตี้ยกลอมจากกิเลสอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเพื่อแบกทุกข์ในวัฏฏะสงสารอยู่ร่ำไปอย่างนี้เลยถ้าไม่อยากแบกเห็นโทษของกิเลสก็ควรที่เห็นคุณของธรรมนามาพิสูจน์กันด้วยหลักความจริงทำเป็นความจริงแท้ๆไม่จอมปลอม จึงเรียกว่าสวาสค่ะแต่จากไม้ชอบแล้วดูให้เห็นละเอียดละออนในภายในภายนอกของส่วนรากายอ่ากําหนดแยกแยะออกไปให้แตกกระจายทำลายลางไปแล้วดูกันได้ที่ไหนนั่นความจริงมันลบล้างความจอมปลอมว่าสวยว่างามว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นของเขาของเราออกได้หมดโดยไม่ต้องสงสยัยถ้าพูดถึงเรื่อง อ, อนิจจง ถ้ามันเที่ยงมันแต่กระจายไปได้อย่างไรทุกขังตรงไหนร่างกายของเราที่มีความสุขความสุขความรื่นเริงบันหน้ารื่นเรินบันถึงมีตรงไหนมันมีแต่กองทุกข์ทั้งกองเต็มอยู่นี้อนัตตานั่นท่านบอกไว้แล้วเหมือนกับว่าตีข้อมือไว้อย่ายืดดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นธาตุหลักธรรมชาติของธาตุเดิมเขา อย่ายืดอย่าถืออย่าไปคว้ามาเป็นเราเป็นของเราอนัตตาเหมือนกับว่าตีข้อมือไว้แม้เช่นนั้นมันก็ยังอาจอยางเอื้อมยังฝืนอาจฝืนทมไปยึดไปถือตีข้อมือหักมันก็ไม่ยอมถอยเพราะกิเลสไม่ยอมให้ถอยกิเลสให้พาสู้ด้วยเหตุ น, นี้จึงต้องใช้ปัญญาไอ้แล้วตีเล่าเอาจนกิเลสมันข้อมือหักไปแล้ว สุดท้ายมันก็แพ้ธำรม ม, มีหลักการต่อสู้กับกิเลสเราอย่าว่าแต่เราผู้ต่อสู้กับกิเลสเป็นความทุกข์กิเลสมันก็ต้องเป็นความทุกข์ของมันเหมือนกันสุดท้ายมันก็สลายไปไม่มีเหลืออยู่ภายในใ จ, ใจิตใจนั่นแหละทีนี่อยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะไม่มีอะไรกวนใจเลยหายเงียบเหมือนกับบ้านร้าง แต่มีคนอยู่นั่นทางเอบ้านร้างไปยังไงเงียบกิบไปหมดไม่มีเสียงอึกทึกคริบโครมเหล่านี้หมดไม่มีเหลือนั่นที่ราคะสังกัตตาตตะตระอธินันดินีเซยที่ดังกาตฐาญหาเพราะวัฒนาบิวัฒนาเครื่องแสดงออกของกิเลสให้ สัตว์โลกทั้งหนแสดงกิริยาบ้าออกมาสดสดร้อนร้อนเหล่านี้หายเงียบไปหมดไม่มีที่ว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่คืออะไรมีแต่คนดีไม่มีคนชั่วประเภทละเกะละกัททำความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่บ้านแก่เมืองมีแต่คนดี สงบสงบเง ย, ยี่ยมตัวนั่นเทียบถึงบ้านภายนอกบ้านบ้านร้างแต่มีคนทเทียบเข้ามาข้างในก็คือว่าบ้านร้างภายในนี้ได้แก่กิเลสตันหาอาสวะตัวพาดิ้นรนกวดแป่งตัวราคะตันหาความทะยอทยานความวุ่นวายสายแสความโกรธความรุมหลง ตายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะอํานาจของปัญญายาณฟาดปันหันแดดขาดสะบั้นไปจา ก, กจิตใจหมดแล้วเหลือแต่ขันร่วนๆที่นี่นั่นแหะที่ว่าบ้านร้างแต่มีคนขมารถึงว่ากิเลสนั้นตายไปหมดสิ่งชั่วช้าละมกภายใจิตใจนี่ตายไปหมดพินาศทิบย์หายไปหมด แต่มีคนอยู่นั่นก็คือมีแต่เบนจขันธ์แสดงอาการตามธรรมชาติของมันรูป ก, ก็มีอยู่ตามสภาพเวทนาที่เป็นอยู่ภายในร่างกายก็มีอยู่ตามสภาพแต่ไม่มีใครมายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราสังขารความคิดความปรุงก็ปรุงไปตามธรรมชาติของมันสัญญาความจำได้หมายรู ก, ก็จำไปตามธรรมชาติวิญญาณความรับร่า จากอาณาณ์ภายนอกภายในประสานกันว่ารับทราบแต่ไม่มีผู้มาจับจองไม่มีผู้มายึดมาถือพอที่ให้เกิดความหนักหน่วงทวงจิตใจให้รับความลําบากมีกิเลสประเภทเดียวเท่านั้นที่มักยึดมาถือว่านั้นเป็นเราเป็นของเราแบกหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็คือแบบขันนี้ด้วยอุปาทานทีนี้เมื่อกิเลสประเภทต่างๆได้สิ้นสุดลงไปแล้ว ถึงเป็นหน่วนบ้านร้างทั้งคิดทั้งปรุงได้อยู่แต่ก็ไม่มีความคิดความปรุงใดที่เป็นภัยต่อตัวเองมีแต่ความสงบราบคาพอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ของใจที่ปราศจากตัวเสนียดจันายได้แก่กิเลสไปหมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละที่ว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่คืออย่างนี้นั่นแหละ มัชฌิมาปฏิปทาพาผู้ปฏิบัติดำเนินด้วยความถูกต้องดีงามให้เข้าถึงจุดนี้เมยอยู่ที่ใจเรานี้นเิเลศอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดอยู่ที่ใจฟังอยู่ที่ใจกระจายออกไปสู่รูปเสียงกลิ่นนดเครื่องสัมผัสกระจายออกมาทางรูป เวทนาสัญญาสังขานวิญญาณเที่ยวจับจองที่นั่นที่นี่ร้วนแร่ทั้งแต่เป็นอาการของกิเลสที่ออกจากอวิชชาซึ่งเป็นตัวสําคัญทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้สกัดดัด ก, ก้านตีต้นไปตามหลักความจริงลบล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายในรูปเสียงติ่นวดเครื่องสัมผัสออกได้ด้วยความชอบธรรมคือปัญญาธรรมแล้วมาลบล้างหรือถอนรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณของตน ที่มันปลอมไปด้วยความยึดควาถือของเก่อออกได้กลายเป็นขันรวนรวนขึ้นมาแล้วขับไล่ิเลตประเภทต่างๆเข้าไปจนกรอกจนมุมไปกองอยู่ที่หวัวใจดวงเดียวหาทางไปไม่ได้ทางรูปเสียงกลิ่นรสก็ตัดออกแล้วด้วยปัญญารู้แจ้งเห็นจริงจะมารลบซ่อนอยู่ที่ รูปคือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารดิน ญ, ญาก็ถูกตัดออกด้วยสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงหมดยิ่เรเล็ถหาที่ยึดหาที่ถือไม่ได้ถูกบลบร้างไปหมดเข้าสุดวิ่งเข้าไปสู่อุโมงคือใจสติปัญญาฟาดฟันหันแหลกเข้าไปตรงนั้นอีกเอาจนแหลกแตกกระจายไปด้วยกันภายในจิต สุดท้ายก็หมดไม่มีกิเลสตัวใดจะเหลือตกค้างอยู่ภายในขันในจิตนี้เลยนั่นแหละท่านว่าหมดเชื้อแล้วหมดชาติแล้วหมดทุกข์แล้วหมดที่ตรงที่จิตหมดเชือ้อคืออวิชชาเป็นสำคัญนั่นแหละเชื้อของความเกิด อยู่ที่จิตเชื่อของความเกิดหมดไปจากจิตแล้วความเกิดจึงไม่มีผู้ที่รู้ว่าความเกิดไม่มีอีกแล้วต่อไปนั้นด้วยความประจักษ์ต น, ตนในตนเองนั้นคือผู้บริสุทธิ์นี่ละผู้บริสุทธิ์นี้จะเป็นผู้สูญสิ้นไปได้อย่างไร ถ้าศูนย์สิ้นไปได้ก็ไม่เรียกว่าบริสุทธิ์ไม่เรียกว่านิพานเที่ยงนิพานเที่ยงก็คือจิตที่บริสุทธิ์วิมุตฺพนิพานอยู่ภาในจิตใจของนักปฏิบัติตอนนี้นี่และวิธีการแก่วิธีการถอดถอนฟาดฟันหันแหลกกับฟาสุขซึ่งมีอยู่ในตัวของเราอันพาให้เกิดแก่เจ็บตาย ไม่แล้วไม่เล่าสักทีจนกระทั่งบัดนี้และจะเป็นต่อไปอีกข้างหน้าในทำนองเดียวกันหรือร้ายยิ่งกว่านี้นั้นจะไม่นอกเหนือไปจากอวิชาปัจิยาสร้างฆารนานี้เเป็นเชื้ออันสำคัญพาให้สัตว์ทั้งหลายสร้างบาปสร้างกรรมวิบาศคือผลก็ต้องได้รับไปในภกชาตินั้นๆเกิดที่สูงที่ต่ำร่วมๆ ด, ดอนๆเป็นไปจากไหนถ้าไม่เป็นไปจากอภิชา ตึงคลกแรงเปลี่ยนแปลงไปได้ในแง่ต่างๆให้สัตว์ทั้งหลายทําสิ่งต่างๆไปได้ตามความต้องการของอวิชชาเมื่อเป็นเช่นนั้นผลแห่งความเปลี่ยนแปลงไปต่างๆจะไม่เปลี่ยนไปได้อย่างไรเมื่อเหตุพาให้เปลี่ยนแปลงดีชั่วหนักเบาเป็นเป็นไปอยู่ภายในอีกเพราะอวิชชาเป็นผู้บงการนี้มากที่จะทําให้เกิดสูงๆต่าๆนุ่มๆดอนๆให้เกิดความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรนั้น จะปิดได้ยังไงจะปฏิเสธได้ยังไงว่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงเสมอกันไม่ได้แม้จะไปเกิดในภกชาติต่างๆก็ต่างต้องมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีความผิดแปลกแตกต่างกันอยู่โดยลาดับตาดาเพราะกิริยาแห่งการกับทรรมซึ่งเนื่องมาจากการบ่งการของอวิชชาให้ทรามนั้นไม่เหมือนกันกายเป็นนิบากไม่เหมือนกันขึ้นมานี่นะ่ะการเรียนหนักความจริง ให้รู้ความจริงของตัวเองให้เรียนอย่างนี้ตามหลักธรรมที่เรียกว่าสวดหาธรรมนี้ถึงเราจะเราถึงจะรู้ได้ชัดแล้วไม่ต้องไปถามใครว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญก็ดีนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีพรหมโลกมีหรือไม่มีนิพพานมีหรือไม่มี มันรู้กันที่นี่หมดเพราะตัวนี้เป็นตัวการไปเที่ยวเสียหมดในสิ่งที่นี่และเป็นผู้รับทั้งนั้นก็คือกิตตาวิชานี่เองอบาปคำว่าบาปคืออะไรก็คือสิ่งที่ชั่วให้ผลเป็นทุกข์ใครเป็นผู้ผิดขึ้นมาถ้าไม่ใช่กิตตาวิชาเป็นผู้ผิดขึ้นมา แล้วจะได้ผลเลิศมาจากไหนขึ้นชื่อว่ายิตาวิชาภาสร้างแล้วจะไม่เป็นผลเลิศเลยนอกจากยิตาวิชาคือวิชาธรรมของพระพุทธเจ้าพาสร้างพาดําเนินเท่านั้นถึงจะกลายเป็นกิตเลิศขึ้นมานี่แหละเรื่องทบเรื่องชาติอา่านตามสําหรับตาํบตาราสาธุเราไม่ได้ประมาเรียนจบพระไตรปิฎกก็เถอะ ถ้าไม่ได้พิสูจน์ทางด้านปฏิบัติแล้วก็จะงมแต่เงาอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นเป็นเงานั้นเป็นแถวเป็นแนวไว้เฉยไม่ใช่ความจริงความจริงคือการปฏิบัติต่างหากความจำเป็นความจำต่างหากความจำไม่ใช่เป็นสิ่งละกีเลยียความการปฏิบัติต่างหากที่เป็นสิ่งที่ละทิเลยียและเป็นสิ่งที่จะรู้ได้ตามหลักความจริง เพราะฉะนั้นความจริงกับความจำจึงต่างกันอยู่มากราฟ้ากับดินผู้พิสูจน์บุญบาปนรกสวรรค์พรมโลกจนกระทั่งสุงนิพานและรู้แจง้งเห็นจริงจนถึงกับได้มาสั่งสอนโลกเราอยู่เวลานี้คือใครถ้าไมใช่เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมผมทั้งตาเนื้อตา จักสุญเห็นตามความจริงในสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่ดั้งเดิมลบล้างได้อย่างไรใครจะเอาอะไรไปลบล้างบาปว่าให้ไม่ไม่ให้มีลบล้างบุญไม่ให้มีลบล้างนารกสวรรค์ไม่ให้มีลบล้างพรมโลกนิพพานไม่ให้มีเพราะเป็นของมีอยู่แล้วโดวยหลักธรรมชาติของตนไม่ขึ้นอยู่กับการลบล้างของผู้ใด นอกจากจะขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติให้ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของมีอยู่ตามหลักความจริงของตนเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นการปฏิบัติก็เพื่อให้รู้สิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ควรละให้ได้ละเช่นบาเป็นของไม่ดีให้ได้ละท่านผู้รู้ผู้ฉลาดมาสอนเราขนาดนี้ เรายังจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่โง่เราชนาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็แสดงว่าคนคนนั้นนั่นแสนโง่ที่สุดหาที่เทียบทเทียบไม่ได้เลยเป็นคนสิ้นหวังเป็นคนหมดหวังเพราะลบล้างความจริงด้วยการลบล้างตนเองนั่นแหละให้หมดสาระคุณต่างๆนี่แหละหลักสาคัญอยู่ที่นี่ขอให้ทุกท่านพิสูจน์ตัวเอง เราววดมาพิสูจนตัวเองเพื่อหาความจริงให้เห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะไม่มีความสงสัยในสิ่งใดสามโลกกถานนี้กิจะเป็นบร ม, มสุขเป็นขึ้นที่นี่แหะตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณาจะเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งอื่นสิ่งใด ว่าเป็นสิ่งที่ลเเะเอียดอ่อนและมีความเลิดประเสริฐยิ่งกว่าใจกับธรรมที่ได้เข้าสัมผัสกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมเต็มภูมิของจใจนี่ท่านเรียกว่ารมมาสุขรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างชัดเจนหายสงสัยนี่เป็นจุดสำคัญที่นักปฏิบัติเราว่าเห็นทุกเห็นภายในทุกให ค้นหาเรื่องของทุกข์อยู่ภายในตัวเองของเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นทุกข์หมายหน้าเห็นภายในจริงๆหมาถ้ายังไม่เห็นทุกข์ซึ่งมีอยู่ในตัวว่าเป็นภายแล้วเราก็หาความสุขไม่เจอเหมือนกันจึงต้องค้นดูให้ดีเอาให้กินให้จังนะักปฏิบัติอย่าถอยหลังพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้อ่อนแอสาวกทั้งหลายเป็นแปดฉบับอันดีงามในการประพฤติปฏิบัติตลอดถึงผลที่ท่านได้ เป็นผลเนี่งความพ้นโลกวิวัตต์ว่างไงไม่พ้นโลกได้ยังไงเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตต้องเอาให้กิงให้จังอย่ารอแหละคอนเทนเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมเราอย่าไปยินดีเราอย่าไปนอนใจเราอย่าสําคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเรามันเป็นค่าศึกเราทั้งมวล น, นั่นแหละสิ่งใดที่ฝืนสิ่งเหล่า น, นี้สิ่งนั้นเป็นธรรม เมื่อหมดกิเลสแล้วเราก็ทราบได้ชัดว่าความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอความโยกโยกค่อนคอนนี่คืออายมันคือกิเลสทั้งหมดนั่นะเมื่อได้ผ่านมันเข้าไปแล้วถึงรู้เพราะมันคือกิเลสทั้งหมดไม่ไม่ใช่คือธรรมะมันคือกิเลสซึ่งเป็นข้าสึกต่อธรรมเป็นข้าสึกต่อเราเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามกําจัดสิ่งเหล่านี้อืม มันที่เกียจทําความเพียรกับความขี้เกียจก็คือกิเลสขวางทางแล้วเวลานี้ขวางทางจงกรมแล้วขวางสถานที่ที่เราจะนั่งภาว น, นาแล้วอืมันเปิดไว้แต่หมอนอย่างเดียวจะให้เราได้ลงนอนไดยอย่างสบายอืมตายแล้วตายทั้งเป็นอืกิเลสกล่อมเอาตายทั้งเป็นไม่ยินเสียงกรอกๆนั่นให้รู้เวลาควรหลับควรนอนเราก็ลูกของเราเองธาตุขันเป็นสิ่งที่จะต้องพักผ่อน ตามเ ว, าเวลาของมันการขบการฉันการเยียวยาธาตุขันเป็นธรรมดาของโลกที่จะต้องทําธาตุเรากับธาตุของโลกของสารเหมือนกันต้องทําเหมือนกันแต่ให้ทราบว่าเราเป็นนักปฏิบัติมีความหนักเบามากน้อยพอเหมาะพอสมอย่างไรที่จะควรพักผ่อนนอนหลับที่จะควรประกอบความภาพควเปลี่ยนให้เป็นไปเป็นเม็ดเป็นหน่วยด้วยความมีสติสัตังเข้มแข็งในทางความภาพความเปลี่ยนให้รู้ สมกับนักปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อฉลัดตามผลมายาของเกียตที่มันแสดงในแง่ใดเนี่ ย, ดด ย, ยหลักใหญ่อยู่ตรงนี้ขอทุกท่านให้นำไปพิจนนารณาการพยายามทำก็เห็นว่าสที่ควรขอยิจิตรเองตรงนีน้ปิ ด, ดนด้ ก็ทำของเรานีไม่มาเลยคือไม่มาเข้าตัวแล้วมายึดว่าเป็นธรรมของเราเพาะว่าทำแล้วนี่ฟังมันก็เพลินเหมือนกันเดือดที่ฟังรู้สึกว่ามันกระปีก้กระป๋อขึ้นภายในระหว่างคันกป็ปิดฟังไม่ปิดประตูฟังทั้งวันที่มีกันยังหันมันไม่ร้อนมากนะ การฉันขันนี่เงือออกร้อนมากทําไม่ฉันไม่ร้อนมากเงือกไม่ไออกเพราะงั้นทุกปิดประตูทั้งหันไม่คนป่นวยป่วนไม่ใช่อะไรนะคนป่นวยป่วนไม่รันสบายทั้งวันกลางคืนก็ฟังกจนดึกดื่นเช้านอนฟังนั่งฟังนั่งภาวนาฟังนอนฟัง มันก็ดูดื่มแบบเดียวกันฟังเลยติดต่อมนจนกระทั่งทุกวันวันนี้มาเนี่ยมาวันนี้ดูได้ฟังด้กันเดียวงานมากเกี่ยวกับเรื่มจนหมงจนหมายม่งอะไรมั่งผมตอนผมป่วยนี่จนหมายความเพลินมันยังไม่ไตอบเขาเนี่ย มพยายามตอบเฉพาะฉบับที่จําเป็นสองสามแถวเท่านั้นส่งส่งส่งนี้ยังเยอะเท่านั้นยังไม่ตอบขึ้นั่นเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไม่สบายเมื่ถามมาการเรื่องเขาแปลว่าแปลวัดน้อยหรือเราจะมาที่ยู่า ยังไม่น้อยมากถึงนีห้าครึ่งถึงจี่อยู่อผมือ น, น ก, กั้งานเสร็จแล้วก็ออกคนนั่น็เข้าก็ไม่ตีกะกันแล้วคาเลยคือว่าจะมาเมื่นี้